นกที่ใหญ่กว่าจิกแล้วลงมาเดินตามพื้นเหนือสัตว์อื่นก็กัดออสัตว์นี้นะมันต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดนะดิ้นรนหายอยู่หากินเนี่ยโหโหดมากเลยถ้ามันประมาทมันเผลอนีดเดียวนะ้นมันตายครัสัตว์มันลำบากอยู่มากแล้วโดยตัวของมันเองนะเราอย่าไปซ้ําเติมมันอาจจะญาติเก่าเราก็ได้บางคนใจร้ายกัตสัต์นะ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 เคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่เมืองจีนเขามีลูกเล็กๆมีเมียทําไร่ทํานารักษาศีล น, นี่เรียนมาจากสายวัดเซนรักษาศีลไม่ยอมเลี้ยงไก่ไม่ยอมไปจับปลาไม่ยอมอะไรชาวบ้านเยาะเย้ยว่าโง่มีชีวิตลําบากครอบครัวก็อดๆอยากๆนะทําแต่ทํานาอย่างเดียวปลูกผักอะไรเงี้ย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 ท่านไป็นโรคลำไส้อุดตันตอนนั้นหลวงพ่อกับแม่ชียังไม่บวชดิบพี่ชายแม่ชีเป็นหมอพากันไปนะไปวัดท่านไปถึงไม่เจอท่านกําลังนอนอยู่ท้องป่องเลยแต่ตาแป๊วหมอก็าเป็นกดดดนะบอกโอ้ลาไส้อุดตันนี่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะั้นดิ้นเล่าเล่าไปแล้วนี่ท่านยังนอนตาแป๊วแปวนอนดูร่างกายมันจะตายนะ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 หลบหลบหลีกหลีงเต็มเลยนะผู้ชายทำไม่รู้ไม่ชิผู้หญิงจะกรบิดกระบวนนะกินทั้งสามมื้อมีความสุข嘛กินสีมื้อห้ามือมีความสุขแคข่ไหนมีเสื้อผ้ากี่ชุดเออมีความสุขไหมนี่หลวงพ่อมีอยู่ชุดเดียวเที่ยวรอบโลกได้นะมีความสุขได้มีรถกี่คันบางคนมีหลายคัน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 อยู่กับสิ่งที่เราไปจ้องเช่นบางคนดูท้องพองยุบจิตไปจ้องอยู่ที่ท้องอันนั้นเรียกว่าเพ่งเดินจงกรมแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนั้นเรียกว่าเพ่งรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าเพ่งนะส่วนคาว่ารู้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นด้ยวยความอยากรูนะ้ไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้แต่ว่ามันเป็นการฝึกสติของเรา ห, หัดรู้จักสภาวะบ่อยๆรู้ไปเรื่อย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 จิตนะทำหน้าที่ได้ตั้ง14อย่างเลยอัศจรรย์ไหมจิตทํางานได้ตั้ง14อย่างทาหน้าที่ได้14อย่างจิตนั้นมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลางไม่ใช่กุศลอกุศลจิตมีทั้งที่เป็นทุกข์มีทั้งที่เป็นสุขมีทั้งที่เฉยเฉยไหมีหลากหลายจิตมีทั้งที่เป็นโลกียะมีทั้งที่เป็นโลกุตตะจิตมีทั้ง